50 languages. การสนทนา2คุณมาจากไหนคะมาจากบาเซลค่ะ บ, บาซิลกาปาเซลอยู่ในประเทศสวิตเซอร์แ ล, ลนด์บาซิลสวิตเซแลนด์ไหมเฮดิฉันขอแนะนำให้คุณรู้จักกับคุณมิวเลอร์ได้ไหมคะแม้ผมจะตารวมมิสเตอร์มอลเลอร์ซิ कर รว่าสักตาห์ผเขาเป็นคนต่างชาติว่าไงมูกีเ เขาพูดได้หลายภาษาเขาพูดได้หลายภาษาเขาพูดได้หลาทีานี่ครัูดไ้งแรกใช่ไหมคะภาษาเขาพูดได้หลายภาษาเไม้ใชาดไฉัหเคไยมาที่นี่ดเมื่อปีที่แยาลเ้วค่ะภาษาเขาพูดได้หลายภาษาเขาพูดได้หลาดหลายภาษาดหลาเหายภเข้หลายภด้าหเา้ लेकिन सिर्फ एक हफ्ते के लिए। कुन चॉप थी नी मेका। आपको यहाँ कैसा लग रहा है? कुन थी नी जाइ डी। दी। डी चं चॉप मार का। बहुत अच्छा। लोग बहुत अच्छे हैं। ले डी चं गो चॉप था सनिया पाप दुई का। यहाँ के इलाके मुझे पसंद हैं। คุณทำงานอะไรคะ आप บ์คียาค้าม์ก็เต้นดิฉันเป็นนักแปลแม้บทแปลจิมฮงดิฉันแปลหนังสือแม่คิทับอุกีต์แปล करता ह ้นคุณมาที่นี่คนเดียวใช่ไหมคะ क ्ยा आप บ์ยังห้าอเคเลห์ห ไม่ใช่สามีของดิฉันก็มาที่นี่ด้วยค่ะ नहीं म รีบีวีบีอย่าไ ह ไม่ไม่ร่าชวาหรืบีอย่าไและนั่นเป็นลูกทั้งสองคนของดิฉันหรือว่ามีเรื่องด้วยกัน